เมื่อเชา้าคณะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มั น, นิมนต์ให้บรรยายหัว <Yes. S 1> ข้อที่นิมนต์ให้บรรยายก็คือการนำพุทธศาสนาเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน น่าสนใจนะที่หัวข้อนี้นะผู้ที่นิมนต์นะก็คือคณะกรรมการกิจกิจศี ก, กาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนะที่ทำงานเรื่องกฎหมายโดยตรงกฎหมายของบ้านเมืองส่วนหนึ่งนะก็คือเพื่อที่จะป้องตาม หรือว่าป้องกันการคอร์รัปชันนะแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันนะว่าเรื่องการคอร์รัปชันนี่ก็กลายเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่โตของบ้านเมืองกฎหมายมีกี่ กี่ฉบับกี่มาตรานะก็ไม่สามารถที่จะป้องกันหรือว่ายับยัง้งหรือแม้แต่บันเทาการคอร์รัปชันได้คณะกรรมการกิจสีการก็คงจะเห็นปัญหานี้นะว่ากฎหมายนี่มันไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหานี้ก็เลยอยากจะได้แง่คิดนะทางพุทธศาสนา ก็คงเพราะเห็นว่าเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยกฎหมายอย่างเดียวไม่พอมันต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าการพัฒนาจิตใจด้วยอันที่จริงเรื่องของการพัฒนาคนให้มีศีลธรรมเนี่ย ปเจ้าก็ตัดไว้นะตั้งแต่ 2,600 ปีมาแล้วนะว่ามันต้องอาศัยปัจจัย2ประการก็คือปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกนะก็ได้แก่สิ่งแวดล้อมรวมถึงกริยะนนมิตแล้วก็รุมไปถึงกฎระเบียบด้วย อันนี้คือเหตุผลนะที่ผู้เจ้าเมื่อตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาหลังจากที่คณะสงฆ์ได้เจริญงอกงามมาสุดท้ายนะก็ต้องมีการบัญญัติวินัยวินัยหรือสิกขาบทนี้ก็เปิดจาได้บัญญัติหลังจากตั้งคณะสงฆ์มาได้12ปี เพราะว่ามันจําเป็นละถึงแม้ว่าผู้ที่มาบวชนี้จะมีความศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็มีเริ่มมีคนที่มาหาประโยชน์นะจากคณะสงฆ์มาบวชเพราะว่าหวังลาบสักการละแต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยแต่พระองค์ก็เห็นแล้วว่านะ นะการที่พระภิกษุจะมีวิถีชีวิตที่ดีงามได้นี่ก็ต้องอาศัยกฎระเบียบนะจึงบัญญัติพระวินัยไหนขึ้นมาแล้วก็ทีแรกก็มีแค่ข้อเดียวต่อหลังก็เพิ่มมาเป็นสองข้อสามข้อสีนะ่ข้อจนกทั่งสอง้อยยสิบเจ็ดข้อที่จริงยังมีอีกนะอีกหลายข้อเรียกว่าเป็น สิขาบทนอกปฏิโมกนะแต่สิขาบทในปฏิโมกก็227อย่างที่เรารู้ดีอันนี้เราปัจจัยภายนอกนะที่จะช่วยกล่อมเกลาแต่ว่าจ้องอาศัยปัจจัยภายในด้วยปัจจัยภายในก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนะหรือว่าคุณธรรมนะที่สร้างขึ้นภายใน พุทธศาสนาเนี่ยแต่ก่อนก็เลยมีชื่อว่าธรรมวินัยนะคำว่าพุทธศาสนานี่มันเป็นคําที่มาทีหลังนะสมัยพุทธกาลนี้ไม่มีคําว่าพุทธศาสนาในความหมายที่เราเข้าใจปัจจุบันแต่ว่ามีแต่คําว่าธรรมวินัยเวลาจะพูดถึงพุทธศาสนาในสมัยก่อนเขาจะใช้คําว่าธรรมวินัยหรือว่าพรหมจันทนะร์พรหมจันทร์ของพระาศาสดา คำว่าธรรมวินัยนี้ก็คลุมทั้งปัจจัยภายนอกคือวินัยแล้วก็การสร้างปัจจัยภายในคือธรรมะนะธรรมะนี่จะแปลว่าคาสอนก็ได้แต่คำสอนที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามภายในทำให้จิตใจฝ่ดีแล้วก็เห็นความจริงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยคนก็ มาให้ความสำคัญกับพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นระบบหรือเป็นวิธีการกล่อมกลาวจิตใจคนจากภายในให้านศีลภาวนานี่นะมันก็คือระบบนะที่ฝึกฝนกล่อมกลาวให้เกิดความเจริญงอกงามจากภายนอกเข้าสู่ภายในจาก การกระทําภายนอกคือกายวาจาแล้วก็ส่งผลถึงจิตใจนี่ถ้าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยถ้าคนเราปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเช่นทานศีลภาวนาหรือว่าหลักศีลไตรศิกขาศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยไอการคอร์รัปชันนี่มันไม่ต้องพูดถึงเลยนะ มันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเพราะว่าถ้าปฏิบัติตามหลักใจศีขาเนี่ยอย่างแท้จริงเนี่ยความโลภมันจะเหลือน้อยมากถ้าถึงมีก็ไม่ครอบงาำจิตใจอันนี้พูดถึงเป็นปุถุชนนะเราไม่ได้พูดถึงพาริยเจ้านะปุถุชนที่ปฏิบัติตามหลักใจศีขาเนี่ยความโลภก็จะเหลือน้อยลงหรือถึงมีมันก็ไม่ครอบงาำจิตใจ ให้ไปทำความชั่วเช่นไปโกงหรือกระทำการทุจริตคนะอร์รัปชันมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าความโลภนะที่มันครอบงำใจแต่ถ้าไม่มีความโลภหรือว่าความโลภมันลดน้อยลงไปเนี่ยมันก็ไม่มีแรงผลักดันที่จะให้ไปทำชั่ว คนที่ปฏิบัตินะตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยนอกจากความสาเหตุที่ความโลบมันลดน้อยลงเนี่ยก็เพราะว่าเห็นว่าเงินทองความมั่งมีหรือว่าวัตถุเงินตราเนี่ยเรียกลมรวมว่ากามมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐ คนส่วนใหญ่นเนี่ยนะก็เห็นว่าเงินทองนี่นะเป็นเหมือนเสมือนพระเจ้านะเป็นเหมือนคำตอบที่จะบรรดาลความสุขความสำเร็จทุกอย่างให้เกิดความหลงไหลในวัตถุเงินทองในสิ่งเสษมันก็ทำให้เกิดแรงจูงใจนะที่จะไปโกงไปคอร์รัปชันไปขโมย แต่ถ้าเกิดว่ า, าศึกษาปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะเห็นว่างเงินทองความมั่งมีนี่ไม่ใช่เป็นสาระที่ประเสริฐเป็นสาระที่แท้ได้เลยไม่สามารถจเอความสุขไปฝากไว้หรือไปไปตั้งอยู่บนไอกองเงินกองทองได้เลย เพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงเงินทองความมั่งมีวัตถุเงินตราสิ่งเสพพวกนี้มันไม่เที่ยงมีกับหมดนี่เป็นของคู่กันมีลาบกับเสื่อมลาบนี่เป็นของคู่กันเช่นเดียวกับมียศกับเสื่อมยศนะบางคนก็รวย แล้วก็รวยเร็วแต่ว่าวันดีคืนดีก็กลับจนนะบางทีเงินมันก็ยังมีนะไม่ได้หายไปไหนแตขงงน่ข้างเงินข้างเงินเนี่ยมันหดมันลดหดหายไปยิ่งเกิดสงครามกลางเมืองนี่เงินนี่เหมือนกับแบงก์กเต็กเลยจะซื้อในเยอรมันนี่สมัยสงครามโลกที่สองนี่ จะซื้อขนมปังนะขนมปังปอนหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินนะหลายแสนมาร์กเลยนะหลายแสนมาร์กมาร์กนึงปัจจุบันเมืองไทยก็ประมาณ10บาทได้มั้งในเมืองจีนก็เหมือนกันนะคือค่างเงินนี่มันตกจกนกระทั่งเงินนี่กลายเป็นแบงก์กงแตกไปเลยมีเงินเป็น10บล้านก็ซื้อ ซื้อขนมปังได้ไม่กี่ปอนนะไม่รู้จะซื้อไก่ได้สักตัวหนึ่งรึเปล่านี่ยังเป็นความความไม่จีรังนะของทรัพย์สินเงินทองมีแล้วก็หมดนะมียศก็เสื่อมยศงั้นถ้าคนเราเนี่ยเอาความสุขของตัวเองไปผูกติดกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยความสุข ก็จะงอนแงนตามไปด้วยนอกจากความไม่จีรังนะของสิ่งเหล่านี้แล้วนะมันยังเป็นภาระทำให้เป็นทุกข์ด้วยให้เงินทองนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะว่ามันสร้างภาระมันทาให้เหนื่อยเหนื่อยตั้งแต่การไปแสวงหาแล้วต้องไปแย่งชิง ไม่ได้มาก็เสียใจได้มาก็ดีใจประเดียวประดาวเสร็จแล้วก็หนักอกหนักใจเพราะต้องคอยห่วงกังวลกลัวว่าคนจะขโมยไปถ้าเกิดคนขโมยไปได้จริงๆหรือว่าคนแย่งจริงไปก็เสียใจคนที่เอาความสุขไปผูกติดกับวัตถุนี่เวลาของหายเงินหายนี่ เป็นลมล้มตึงเลยนะบางคนหัวใจวายนะทองทองที่เก็บเอาไว้นะถูกขโมยไปอพทยที่สะสมนะมันสูญหายไปนะเสียใจเป็นทุกข์ไอ้คนที่เป็นภาระนะคนที่คนที่เข้าใจนะ คนที่เข้าใจธรรมะเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าไอ้พวกนี้เป็นภาระที่ไม่น่ายึดถือสร้างความทุกข์ให้สมัยที่หลวงปู่ดูนะพรห ม, มปัญโยนะยังมีชีวิตยอยู่นะท่านก็เป็นเกจีอาจารย์ที่มีคนนับถือมากอยู่ที่วัดสแกรยิทธยาวันหนึ่งก็มีชายหนุ่มคนนึงมากราบท่านแล้วก็เล่า ว, ว่าเพิ่งไปชอบพระอุปคุตมา หลวงปู่ก็ถามว่าชอบไปทําไมเขาก็ตอบว่าอยากรวยครับหลวงพ่อก็เลยพูดไปเปรยขึ้นมาว่ารวยกับสวยนี่มันใกล้กันนะไอชายหนุ่มคนนั้นงงเลยมันหมายความว่ายังไงครับหลวงพ่อทีแลังท่านก็บอกว่ามันเขียนคล้ายๆกันรวยกับสวยต่อหลังท่งานก็อธิบายเพิ่มเติมว่าไอความมั่งมีหรือเงินทองนี่อยากได้ก็เหนื่อยละ ไปแย่งชิงมาก็เหนื่อยอีกได้มาแล้วนะมันก็เป็นทุกข์แล้วถ้าเกิดมันหายไปก็เป็นทุกข์อีกนะคือทุกขั้นตอนเลยนะมันมันเต็มไปได้วยทุกข์นั้นพอมีแล้วเนี่ยยิ่งมีชนิดเป็นล่ํารวยเนี่ยก็ก็ซวยนะก็คือเป็นภาระ เงินทองเนี่ยถ้าเข้าใจนะเห็นธรรมะจริงๆรงนะิมันก็จะพบว่าเงินทองหรือกามเนี่ยวัตถุสิ่งเสพพวกนี้มันให้ความสุขก็จริงแต่ว่ามันก็เจือไปด้วยทุกข์มากให้สุขน้อยแต่ทุกข์มากไม่ใช่ว่ามันไม่ให้สุขนะมันก็ให้ความสุขแต่ว่ามันเป็นทุกข์มากพระเจ้าเปลี่ยบเหมือนกับว่าเปลี่ยนเหมือนกับ จุดไฟจุ ด, ใ ต, นะดยยใต้ที่ทำด้วยยาแห้งใต้ที่ทำด้วยยาแห้งพอเราจุดเนี่ยมันก็ให้แสงสว่างแต่ว่าแสงสว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่นวลมันไม่สว่างใสนะเหมือนหลอดไฟหรือว่าเหมือนกับไฟที่จุดด้วยเชื้ออย่างอื่นนอกจากนั้นเนี่ยควันที่เกิดขึ้นจากใต้นี่มันก็ ระคายเคืองนะไม่นำซ้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าจุดไปนานๆเนี่ยและไม่ยอมปล่อยนะมันก็จะไหม้มือมันก็จะไหม้มื อ, อประโยชน์มันมีนะแต่ว่าโทษมันเยอะกว่าแล้วประการต่อมาคือว่า ให้ความสุขที่เกิดจากวัตถุสิ่งเสพเนี่ยมันชั่วครั้งชั่วคราวมากถึงแม้ว่าเงินหรือ ว, วัตถุสิ่งเสพเนี่ยไม่มีใครออกไปนะยังอยู่เหมือนเดิมยังเท่าเดิมแต่ว่าความสุขที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยตอนที่ได้มาเนี่ย มันก็อยู่ได้ไม่นานเหมือนกับเราเนี่ยเวลาตอนเราเป็นเด็กๆ เ, เนี่ยเราซื้อของเราได้ของเล่นมาเราก็ดีใจแต่ความดีใจมันก็อยู่ได้แค่สองสาวันหลังจากนั้นก็เบื่อแล้วก็อยากได้ของเล่นอันใหม่พอโตขึ้นนะได้เสื้อมาเราก็ดีใจเสื้อกางเกงกระโปรงของประดับเราตอนที่ได้มาก็ดีใจ แต่ความดีใจหรือความสุขมันก็อยู่ประเดี๋ยวประดาวใส่ครั้งสองครั้งก็เบื่อแล้วแล้วก็อยากได้ตัวใหม่อยากได้ของชิ้นใหม่ของไม่หายนะแต่ว่าความสุขเนี่ยมันเจือจางไปแล้วแม้แต่คนที่ถูกลอตเตอรี่นะได้เงินนะเป็นก้อนเป็นกำรรนะ เขาเคมีการสอบถามนะความรู้สึกของคนที่ถูกลอตเตอรี่ถูกสลากกินแบ่งทั้งกินรวบและทั้งกินแบ่งและกินรวบในอเมริกาเนี่ยเ้าสอบถามเป็นพันคนเลยแล้วพบว่า 90% กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยความสุขของคนเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนคือดีใจนะตอนได้มาก็ดีใจโอ๊ยสวรรค์ทรงโปรดนะ แต่ว่าความดีใจหรือความสุขนั้นมันอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนหลังจากนั้นก็รู้สึกเฉยๆเงินอาจจะยังอยู่นะเงินยังอยู่ในธนาคารไม่ได้ไปไหนแต่ว่าความสุขมันเจือจางไปแล้วถ้าเราลองสังเกตดูในความสุขที่เกิดจากการเสพเนี่ยมันสุขก็ตอนที่ได้มาใหม่ๆ แต่ว่าพอผ่านไปไม่ช้าไม่นานความสุขนั้นก็เจือจางอาหารที่เรากินไม่ว่าจะเป็นอาหารห้องเตะราคาแพงแค่ไหนตอนที่กินมื้อแรกจานแรกมันก็อร่อยมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเราลองกินทุกวันกินทุกมื้อเลยกินไปชักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยรับรองเลยนะ ไอความอร่อยเนี่ยมันก็จะค่อยๆจืดจางรสชาติยังเหมือนเดิมนะแต่ความอร่อยเนี่ยในความรู้สึกของเราเนี่ยมันเจือจางไปและกินไปได้สักอาทิตย์หนึ่งก็รู้สึกเฉยๆแล้วถ้ากินต่อไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะมันก็เริ่มเบือ่อถ้ากินต่อไปอีกนะก็เริ่มเอียนแล้วถ้ากินอีกมันก็อาจจะกลายเป็นอาจเจียนเลย ทำไมของที่เคยกินอร่อยแต่พอกินไป น, น, นานๆนะมันกลับอาจเจียนแล้ว น, นี่เป็นธรรมชาติของความสุขจากสิ่งเสพจากวัตถุนะแล้วคนที่ศึกษาธรรมเนี่ยเขาจะเห็นตรงนี้แล้วเขาก็จะรู้ว่าไอ้วัตถุสิ่งเสพเงินตราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสาระเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขที่แท้ได้เลย ไอ้สิ่งนี้ก็ทำให้ความโลภมันน้อยลงนะความโลภมันมันลดลงไปเองพอเห็นว่าไอ้ความสุขจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันมีน้อยมันไม่จรังแต่ว่ามันสร้างมันให้ความทุกข์เพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่เท่านี้นะ คนเราเนี่ยบางครั้งแม้จะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเห็นโทษนะของสิ่งต่างๆแต่บางครั้งนะมันก็ยังถลำเข้าไปอย่างที่เขามีคำพูดว่าเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้นะคนที่กินเหล้า เขาก็รู้ในว่าเล่านี่มีโทษอย่างไรบ้างเป็นอันตรายอย่างไรบ้างแต่ว่าจํานวนมากก็เลิกเลาไม่ได้บุหรี่ก็รู้นะว่ามีโทษก็ เ, เห็นนะภาพคนเป็นมะเร็งอยู่ในซองบุหรี่อยู่หน้าซองบุหรีรู้แต่เลิกไม่ได้เพราะห้ามใจไม่ได้คนที่เที่ยวผู้หญิงหรือว่าคนที่ เจ้าชู้ก็รู้นะว่าเจ้าชู้ไม่ดีกิ๊กไม่ดีมีชู้ไม่ดีแต่ว่าก็ห้ามใจไม่ได้จิตใจที่อนะ่อนแอมันก็ทำให้ไม่สามารถจะหักห้ามใจไม่ให้ถลำเข้าไปในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยได้คนหลายคนก็จะรู้ก็ถึงแม้จะรู้นะว่าออวัตถุสิ่งเสพเงินตรานี่มัน มันให้มันมีให้ความสุขน้อยแต่เป็นทุกข์มากแต่ก็ยังหลงไหลนะตรงนี้แหละหนะ้าที่ธรรมะเนี่ยหรือว่าการปฏิบัติเนี่ยมันจะช่วยได้ก็คือทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นนะเมื่อจิตใจเข้มแข็งเพราะว่ามีขันติมีความอดทนรู้สักหักห้ามใจได้ จิตใจก็ไม่คล้อยนะไปตามสิ่งเสพนะหรือไปกระทํนะสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมนะเช่นการคอร์รัปชันห้ามใจได้มีคนเอาเอาเงินเอาเพชรเอาสร้อยเอาทองมามาวางไว้เพราะว่าเผลอลืมทิ้งเงินเอาไว้ นะแต่ว่าหลายคนก็หักห้ามใจได้ไม่เก็บมาเป็นของตัวอย่างที่เราเคยได้ข่าวแท็กซี่หลายคนนะเขาก็เห็นกระเป๋าเอกสารใส่เงินเป็นแสนเป็นล้านแต่ว่าเขาก็ไม่เก็บมาเป็นของตัวก็ไปแจ้งตำรวจทั้งที่โอกาสมีแต่ไม่ทํา อันนี้พ่อเขาหักห้ามจิตใจได้แต่คนสมัยนี้การหักห้ามจิตใจนี่เป็นเรื่องยากนะเพราะว่าจิตใจนี่มันถูก เ, เพราะว่าไปตามใจกิเลสนะอยากได้อะไรแม่ก็ให้พ่อก็ให้ได้อะไรนี่มันได้ง่ายมากนะยิ่งสมัยนี้มีเสรีภาพที่จะทำอะไรต้องเยอะแยะ การตามใจกิเลสก็ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทาเป็นปกตินั่นถึงเวลาจาหักห้ามใจก็หักห้ามยากแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกจิตให้เรามีขันตินะรวมทั้งมีสติด้วยเนี่ยนะมันจะช่วยได้มากกิเลสเนี่ยมันก็มาหลายรูปแบบนะบางครั้งเราห้ามใจได้อยู่ แต่ว่ามันก็ยังหาทางหลอกเราให้หลงนะกิเลสนี่มันก็สรรหาเหตุผลข้ออ้างมาทำให้เราเผลอทำตามอำนาจของมันเอาคนที่เขาจะคอร์รัปชันเนี่ยอยู่ดีๆไม่ใช่ว่าเขาจะโกงเงินเป็นล้านหรือว่าช่อราด1ิบล้านนะแต่ว่ามันเริ่มต้นจาก สิ่งเล็กๆนะอาจจะเป็นการเริ่มต้นโดยการนะเอาทรัพย์สินของใช้ในสำนักงานไปใช้นะหรือว่ายืมเงินคนแล้วไม่คืนนะยืมเงินอาจจะยืมไปร้อยหนึ่งพันหนึ่งแล้วก็ไม่คืนส่วนใหญ่ความชั่วที่ใหญ่โตเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากความชั่วเล็กๆ และที่คนทำได้ก็เพราะว่ามีข้ออ้างว่านิดหน่อยเองมันนิดหน่อยเองไม่เป็นไรถือวิสาสะนะแบอบกว่าขอยืมกิเลสนี่มันจะสรรหาเหตุผลมาเพื่อให้เราเนี่ยหลงเชื่อมันเริ่มกับเรื่องเล็ก ๆ, ๆน้อยๆถ้าเราไม่มีสติเราก็จะหลงเชื่อข้ออ้างของกิเลสได้อันนี้ไม่ใช่เฉพาะคอร์รัปชันนะ คนที่ติดเหล้าคนที่ติดการพนันเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากจากเรื่องเล็กๆบางคนนี่ต่อต้านนะต่อต้านเหล้าด้วยนะนะเปรียบโปสเตอร์นะพวกเราจะเคยได้ยินนะเขาเป็นนักสร้างหนังแล้วก็เขาเป็นแต่ก่อนที่เขาจะเป็นนักสร้างหนังนี่เขาเป็นคนที่วาดโปสเตอร์นะเรียกใบปิดหนังใบปิดเป็นโปสเตอร์เนะี่ยเป็นที่มาของฉายาของเขา เขาเล่าว่าตอนที่เขายังหนุ่มเนี่ยเขามีเพื่อนร่วมงานร่วมเที่ยวอยู่สามคนมาสองคนหนึ่งในสองนนะชื่อเกษียนนะวันหนึ่งก็ไปกินอาหารในร้านเกษียนเห็นคนเมาในร้านก็พูดขึ้นมาว่าโง่ชิดหายเลยกินเหล้าแต่ให้เหล้ากินนะด่าคนเมานะว่าโง่ ส อ, สองอาทิตย์ต่อมาสั้งสามคนก็ไปไปงานทำบุญบ้านของเพื่อนนะเพื่อนก็เอาทุกโต๊ะเลยนะก็มีเบียร์ตั้งอยู่สามคนนี้ก็อยากจะลองดูว่าทำไมคนถึงติดเหล้าก็ลองชิมดูก็เห็นพ้องต้องกันว่ามันเปรี้ยวมันฝืดๆ ด, นะดูไม่น่าอร่อยเลยไม่น่าติดเลย แต่ว่าสองสามเดือนหลังจากนั้นนะขณะที่กำลังวาดรูปกันอยู่ในสตูดิโอนะกระเสียนก็ไปบอกเด็กให้ไปซื้อเบียร์มาเปียรโปสเตอร์เขาได้เห็นอย่างนั้นเขาก็เลยท้วงว่าอ้าววาเขาแล้วแต่ทำไมกินเองล่ะกระเสียงก็บอกว่านายไม่รู้อะไร เหล้าเนี่ยเป็นของสถุนเบียร์เนี่ยมันของคนชั้นสูงนะมันช่วยผ่อนคลายน ะ, ะเบียร์นของคนชั้นสูงมันช่วยช่วยผ่อนคลายนะก็ไม่ว่าอะไรนะหลังจากด้่งสองสาเดือนปรากฏว่ากเกษียณนี่กินเบียร์วันละสีห้าขวดเลยนะ วันไหนไม่กินเบียร์ทางานไม่ได้กินเบียร์ไปไ ป, ไ ป, ไปม า, มาวันหนึ่งก็บอกให้เด็กเนี่ยไปซื้อแม่ขงมาเป๊กหนึ่งเปีก๊กเขาก็เลยท้วงว่าไหนว่าเล่าไม่ดีไหนว่าเราเป็นของสะถุลไงแล้วทําไมให้สั่งแม่ขงมาไก็เสียงก็บอกว่านายเมีผลไหนสิเดี๋ยวนี้ ฉันต้องกินเบียร์วันละสีห้าขวดนะถ้าไม่กินเนี่ยก็ทํางานไม่ได้แต่ว่างานของเราอาชีพของเราเนี่ยรายได้มันน้อยรายได้มันก็ไม่เท่าไหร่เองมันจะซื้อกินเบียร์วันละสีห้าขวดได้ไงแล้วก็บอกว่าเนี่ยเล่านเลยนะแค่กินเป๊กเดียวนี้เอาอยู่เลยเรื่องนี้ลงเอ่ยตรงที่ว่าเกษียณก็กลายเป็นคนติดเหล้า แล้วก็เป็นอัมพาตแล้วก็ตายพเพราะเหล้าเห็นไหมอันนี้มันเป็นตัวอย่างคนจํานวนมากที่ติดเหล้านะก็คือว่าเริ่มต้นจากการที่ด่าคนกินเหล้าว่าโง่สุดท้ายสุดท้ายก็โดนเหล้ากินยิ่งก็อาจจะยิ่งกว่าคนที่ตัวเองด่าสิทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะว่ามันค่อยๆไงค่อยๆซึมค่อยๆไหลไปอาทีแรกก็ชิมดูนะ พอเชมเสร็จะลองก็ยังไม่กินเหล้านะกินเบียร์ก่อนกินนิดๆหน่อยๆต่อหลังกินเยอะนะวลาสีห้าขวดมีข้ออ้างว่าผ่อนคลายต่อหลังพอติดหนาเข้าไม่มีเงินซื้อนะก็ต้องกินเหล้าแล้วบอกว่าเนี่ยกินเหล้าเป๊ะเดียวก็พอแล้วกินเหล้าเป๊ะเดียวก็เท่ากับเบียร์สีห้าขวดนะมันประหยัดดีนะ มันทำงานได้แล้วสุดท้ายก็ไม่ใช่เป็กแล้วมันกินกันเป็นขวดๆเลยนีย่คนเราถลําสู่ทางความตกต่ำเนี่ยก็เพราะแบบนี้แหลนะคือว่าค่อยๆถูกมันล่อมันหลอกไปทีละนิดทีละนิดชีวิตที่ตกต่ำเขาเรียกว่าความตกต่ำเขาเรียกอบายนะอบายมุกคือว่าทางสู่ความตกตำ่ำ ้คนที่ขอรับช่นเนี่ยมันก็เริ่มต้นคล้ายๆแบบนี้แหละเริ่มต้นจากทีละนิดทีละหน่อยพอทำบ่อยๆนะั้นมันก็เริ่มนะทำหนักขึ้นหนักขึ้นอันนี้เพราะว่าไม่ระมัดระวังอย่างคนที่ชื่อเกษียณเนี่ยนะแกไปว่าคนอื่นแทนที่จะกลับมาดูตัวเองนะว่าเออเราต้องระมัดระวังนะแกกลับคิดว่าเนี่ย มันมีแต่คนโง่ที่กินเหล้าไอ้คนอย่างฉันนี่เหล้าทำอะไรไม่ได้หรอกอันเนี้ยประมาทนะแล้วก็ถูกเหล้าค่อยล่อค่อยห ล, ลอกไปเทเลนิดทลนิดนะความชั่วนี่มันเริ่มต้นจากทลนิดเทเล น, นอยนะแล้วเราก็เผลอเราก็ประมาทแล้วก็ไม่มีสติรู้ทันไม่มีสติรู้ทันลูกไม้หรืออุบายนะของกิเลส มันก็จะปรุงแต่งข้ออ้างปรุงแต่งเหตุผลแต่ถ้าเราปฏิบัติทำเนี่ยเราศึกษาทำด้วยการปฏิบัตนะิไม่ใช่แต่ฝึกจิตให้มีขันติแต่ฝึกจิตให้มีสติด้วยเนี่ยไอ้กิเลสมันจะล่อลองให้เราหลงเนี่ยได้ลำบากเราจะรู้ทันมันเราจะเผลอให้กับมันได้ยากหลวงพ่อเทียนเคยพูดกับหลวงพ่อคำเขียนนะว่าเนี่ย ไอ้ความคิดเนี่ยนะไอ้ความคิดที่ลักคิดเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ผลักเราข้างหลังเราลองนึกภาพดูนะอยู่ดีๆก็มีอยู่ดีก็ถลาไปข้างหน้าเพราะมีคนผลักไอ้ความคิดเนี่ยความคิดที่ลักคิดเนี่ยมันเหมือนกับคนที่แอบผลักเราข้างหลังโดยที่เราไม่รู้ตัวพอถูกผลักก็เป็นไงมันก็ล้มคว่ำใช่ไ แต่ถ้าเรามีสตินี่เราก็จะรู้ทันความคิดเนี่ยหรือกิเลสเนี่ยมันจะมาผลักเราข้างหลังไม่ได้แล้วเรารู้ทันแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยโดนมันผลักวัดเราไม่รู้กี่เที่ยวนะโดนมันหลอกไปหลอกให้ทุกข์หลอกให้หลงหลอกให้ทำชั่วซึ่งล้วนแต่มันแย่ทั้งนั้นถึงไม่ทําชั่วแต่ก็ทุกข์ทุกข์เพราะ มันหลอกนะความคิดมันหลอกกิเลสมันหลอกเอาเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านไปแล้วนี่มาทวนย้ำซ้ำเติมจิตใจตัวเองหรือว่าคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าวางไม่ได้คิดไม่ได้นอนไม่หลับนันถูกมันหลอกทั้งนั้นแหละชาวนาที่คิดและทุกข์แต่ก็ไม่ยอมวาง ก็ยังกอดมันเอาไว้แน่นก็ยังยอมให้มันผลักอยู่เรื่อยแต่ถ้าเราฝึกสติดีนี่เราจะรู้ทันมันงนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่หลงไปตามน้าของกิเลสได้ง่ายรู้ว่าเราไม่ดีขณะดเดียวกันก็ระมัดระวังไม่ให้ใจเนี่ยเผลอไปให้มันหลอกรู้ว่า อ่าอรับชั้นไม่ดีแต่ว่าเวลามันจะมาล่อลอกเราเราก็รู้ทันนะมันจะมาไม่ไหนอูบายอะไรก็รู้ทันจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่เพียงช่วยทำให้เรารู้โทษของกามรู้โทษของอ่าความมั่งมีหรือว่าโลกธรรมรวมทั้งมีจิตใจมั่นคงนะ แล้วก็รู้ทันกิเลสเท่านั้นแต่ว่ามันยังช่วยทําให้เราได้พบกับความสุขที่ p l e ี y คนเราเนี่ยยั ง, ลงหลงไหลในความสุขจากกรรมความสุขจากเงินทองความสุขจากวัตถุเพราะว่ามันเป็นความสุขอย่างเดียวที่รู้จักมันเป็นความสุขอย่างเดียวที่สัมผัสได้อ่ามนุษย์เราเนี่ยมันโหยหาความสุขนะถ้าหากว่าไม่เจอความสุขอย่างอื่นเลยนะก็ต้อง เอาความสุขนะจากกาลเนี่ยเป็นที่พึ่งแต่ถ้าเราค้นพบเข้าถึงความสุขที่ประนีตความสุขที่ประเสริฐกว่ากามาสุขนะเราก็จะหันหลังให้มันได้ง่ายคนสมัยนี้เนี่ยนะจริงก็อายทุกยุคทุกสมัยนะถ้าไม่รู้จักสุขที่ประณีดเนี่ยมันก็ยากนะที่จะเป็นอิสระจากไอ้กามาสุขและพอต้องพึ่งพิงกาลมาสุกล่ามก็ยังต้อง อดไม่ได้ที่จะต้องอยากอดไม่ได้ที่ต้องมีความโลภและพอโลภมากๆก็ต้องยอมทําชั่วแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าถึงความสุขที่ประณีตนะเราก็สามารถจะหันหลังให้กับความสุขที่มันหยาบๆได้เหมือนกันเราแต่ก่อนเนี่ยเคยเล่นของเล่นที่มันมันง่ายๆ นะแต่พอเรามาเจอของเล่นที่โอ้มันดีกว่ามันสนุกกว่าไอ้ของเล่นประเภทยิยงลูกฉีนหรือว่าปั่นแปะโอน้อยออกนี่เราก็ไม่เล่นละนะเพราะว่ามีของเล่นที่ดีกว่าแล้คนเรานี้ถ้าเราเข้าถึงความสุขที่ปรนะนีที่ประเสริฐเนี่ยเราก็จะสามารถจะหันหลังเมินเฉยให้ความสุขจากการได้ ความสุขปันญิดมาจากไหนก็เกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการที่เรารู้จักเข้าถึงความสงบนะพระอาจารตรัสว่าสุขที่เกิดจากความสงบไม่มีสงบเพราะสติสงบเพราะปัญญาสงบเพราะสมาธิพระอาจ า, กการย์แบบว่าสุขที่สุขนี่เกิดจากการเสร็จนะแต่สุขเกิดจากความสงบสุขที่ประเสริฐนี่คือสุขที่เกิดจากความสงบ สุขอื่นยิ่งกับความสงบไม่มีงั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความสุขที่ปานนี้เนี่ยให้ความสุขจากลาบยศสารเสริญนะมันก็จะไม่มีความหมายแล้วมันกลายเป็นของต่ำจริงๆนะไม่อยากจะแปดเปื้อนพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อทรงคนพอพธรรมเนี่ยนะหรือว่าทรงตัดสรูเนี่ย ให้ความสุขจากการนี้กลายเป็นเรื่องของต่ํากลายเป็นเรื่องของที่น่ารังเกียจเลยจริงๆเนี่ยก่อนที่พระองค์จะตัดสรู้เนี่ยนะคืนที่พระองค์จะตัดสรู้เนี่ยพระองค์เกิดสุบินิมิตนะอยู่5อย่างอย่างที่5นะอันสุดท้ายเนี่ยก็คือพระองค์ฝันว่าได้ไปเจอภูเขากองภูเขาลูกใหญ่เลย แต่เป็นภูเขาที่เกิดจากอาจมเป็นภูเขาอาจมทั้งนั้นเลยและพระองค์เนี่ยก็เดินอยู่บนภูเขานั้นเดินขึ้นเดินลงบนเขาอาจมนั้นแต่ว่าอาจมมันไม่สามารถจะแปดเพื่อนพระองค์ได้อันนี้ก็เป็นนิมิตว่าพระองค์เนี่ยจะค้นพบพระธรรม จะตัดสลุจะเข้าถึงพระนิพพานจิตจะเป็นอิสระจากกามได้กามที่จะกลายเป็นของที่น่ารังเกียจที่ไม่สามารถแตะแปดเพื่อนจิตใจพระองค์ได้สาหรับผู้ที่เข้าถึงธรรมแล้วนะกามก็กลายเป็นของที่หยาบเป็นของที่น่ารังเกียจใจมันก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าไปหาเองความโลภนะที่จะจะมีสิ่งเหล่านี้ มันก็หมดไปเหมือนกับเราเนี่ยเราคงไม่อยากจะได้อาจมเมืนนะเราเห็นอาจมเราก็อยากหรือขี้นี่เราก็อยากจะหนีอยากจะอยู่ห่างนะเพราะเราเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นของดีของวิเศษนะคนที่เข้าถึงธรรมเนี่ยพอการปฏิบัติเนี่ยก็จะเห็นอย่างนั้นนะคือเห็นว่ามันเป็นโทษนะแล้วก็ความอยากที่จะมีอยากที่จะเสพมก็ไม่หลงเหลือต่อไป อันนี้แหละก็จะทำให้จิตใจเนี่ยมันไม่มีความความอยากที่จะทำชั่วความอยากที่จะอ่โกงความอยากที่จะขอรับชันเลยแต่ว่าการที่เราจะจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะคิดเอานะมันต้องเกิดจากการปฏิบัต นะเมื่อมีการปฏิบัติจงกันทั่งเราได้เกิดประจักษ์แจ้งนะเห็นถึงโทษของมันนะเห็นต้นโทษของราบสักการละแล้วก็จิตใจเนี่ยสามารถจะเข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐกว่ามันก็จะเมินเฉยไปได้เองอ น, นี้คือคำตอบพุทธศาสนานะว่ามันจะทำให้ การคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นโมฆะได้อย่างไรบ้างมันไม่ม่ต้องต่อต้านนะแต่มันไม่ทำเองเพราะว่าจิตใจเนี่ยปรารถนาหรือเข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐกว่าแต่ใดที่ยังไม่ยังไม่เข้าถึงสภาวะเช่นนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการกัดฟันอาศัยการขม่มอาศัยการบังคับตัวเองไม่ให้หลงไหลหรือไม่ให้ถลำเข้าไปในความชั่ว แต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าถึงนะเข้าถึงสภาวะธรรมเข้าถึงความสุขที่เกิดจากปัญญาแล้วมันปฏิเสธไปเองนะก็เล่ามาให้ฟังนะเพื่อที่จะได้อ่เอพราะว่าอาจจะเป็นประโยชน์ที่จริงพูดยา ก, กว่านั้นนะแต่ว่านี่พูดมาย่อๆออคำนี้ก็เพียเท่านี้